สิแล้วมัง่งหรือแปดสิบเก้าแล้วท่านปล่อยสทุกอย่างเลยวล่อความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนนอะไรตัอะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก็จะไม่หลหวอยู่แล้วเลยใช้แบบหัวกตาบอดเรื่อยๆแตกใครจะปฏิบัติ ขอปฏิบัติใครขี้เกียจก็ขี้เกียจใคาจะเป็นยังไงทั้นกต่ปล่อยไปหมดแม้แต่ท่านจันมั่นเวลาแต่เข้ามาริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเข้มงวดกดขันมาดั้งเดิมเดียวกับท่านเองแม้จะนั่งก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมาก วันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐ า, านผู้มุ่งอัดมุ่งทมท่านอยู่บ่มเพนแต่ถ้าว่าไม่มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็ก็จะมีอยู่มากเัานาะั้นพวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ ฆ่ากิเลสคุณง่ายไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปกิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้น มาผุกคลั่งวุ่นวายก่อควรเจ้าของนัดทำคนอื่นให้ยุ่มเยิ้มวุ่นวายไปด้วยเจนกลายเป็นศาสนาควนบ้านควนเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตาย คลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นหากจะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แแค้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมาฐานท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านมีอะไรท่านพอยางชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัดกับทรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่ง มีความเพียรเป็นหลักเกณนแห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องอคอบครตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมที่เลกขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้ว เกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเป็นตัว่เรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทประมาทได้อย่างไรแต่นั่งก็ยังพอทำเนาสถานที่ เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างฮะสัตว์่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เชนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้ทลางวันกลางคืน ต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหลคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงไงสกุลราคาอยู่ความมึนหวงนั่นแหลจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา แทนที่จะเป็นการแก้เกลียดหรือเป็นการสั่งสมเกลียดขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคข้าวเด็ดต้องเด็ดถึงคข้าวจะเอาลมผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยๆถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ด ด้วยเหตุผลเหมือนกันเวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกโลกอย่างสบายสบาย น, นมันเหมือนกับเป็นพระรหันน้อยๆ อ, อ, องหุ่งขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่เพราะออกมาจาก ที่เช่นั้นแล้วมันก็กางเล็บเริ่มกางเล็บขึ้นมาเนีลยตะปบเจ้าของนั่แหละอืมกางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของออกงักกเงกดเจ้าของนั่แหละไม่ได้กัดผู้อื่นผู้ใดละ่ะก่อนอื่นถ้าอยู่ที่เช่นั้นมอบหมดความโลภความโกรธความหโงราคะโทสะมโหะมันมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลาแไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตตักลงไปตรงนั้น ความขัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปหายไปปักลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกีอาบทที่นี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึง่งความรักความสงวนความหงึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่นน้อยความทุกข์มากทีเดียว พอสะละเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วนี่กลางคืนดึกสังกัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินดูนั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าในมอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้ไปเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นดูเพลสบาย นั่งอยู่บนม้ชายเขาที่ไงก็สบายมีแต่ความเรื่องเบืองบันเทิงหนาแน่ทาที่ตนมุ่งมั่นและตนมักกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นธมาที่ไม่ต้องถามและเรื่องความสงบของใจนั่นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองและสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใด สมบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุ ป, ปลูโผลไปหมดมันฉลาดเองคําว่าฉลาดนี่มันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโมง่มันอยู่กับเรา ความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้และแก้ความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายส ม, มูทัยในสัตว์จะทำทั้งสี่ความโง่เป็นฝ่ายส ม, มทไทัยผลิทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความเดืดร้อนแก่เอาความคิดนั่นแหละเป็นส ม, มู ท, ทยัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้ อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่นั้นท่านเรียกว่ามากนะก็เป็นสังน้งขารมือนกันแต่สั้งขานฝ่ายมากเมื่มีมากมันก็มีกำลังมากแก้ไปได้โดยลำดับลำ ด, ด, ด, ดันี่การเจริญมากเจริญที่ไหนก็เจริญที่ใจสัจธรรมอันหนึ่งเหมือนกันมกัก แก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมากผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทําหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากเลยความจริงก็เหมือนกับความอิม่มนะเนี่ยความอิ่มมันทําหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทําหน้าที่กินไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมามเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะ การกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทำงานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้มันก็ท่านก็ให้ชื่อวานิโรธความจริงเป็นเริ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมารกเป็นผู้ถาขึ้นมาไม่ใช่วานิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมาร์กมารคทำหน้าที่อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละชิ้นะอันอย่างนั้น มันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในสัจธรรมทั้งสีถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเช่นทุกข์ให้พึงกำหนดรู้ท่านบอกทำไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกว่าอย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึ ง, งพึงถอน พึงระงับดับมันด้วยมรรคมรรคค่าพึงเจริญคําว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเยื่อท่างนั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกก็ดับไปดับไปเพราะอํานาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกจะไปทําหน้าที่ของตัวโดยลําพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมรรคอย่างนั้นไม่ได้ มันเกี่ยวโยงกันหนังนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแงกทุกมุม น, นี่เราไม่เข้าใจากันเลยไปกระจาย ก, กันออกเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนถังของบ้านของเดือนทุกต้องทำหน้าที่กำหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมไทัยะจะไปเจริญมากจะไปทำนิรธให้แจ้งนี่ เป็นคนลภาพเป็นคนละอยา่างเสียวันยั่งค่าตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบําเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทําหน่อ น, นี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันเพราะทุกเกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกน่ะความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกนี้มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาค่อยควรแล้วอ๋อมันทุกเพราะคําสัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้น มันมีความกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทู้ขึ้นม า, านแล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวก่อไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับกลับลงไปด้วยอํานาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้คิดว่านิโรธเน่นิโรธไม่ได้ไปทําหน้าที่อะไรแหละที่จริงเป็นอย่างนั้น นล้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับครั้งพุทธการนั่นอะไรมันผิดแปลกกันนั่นมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นกับกิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัญหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก้่อย่างอื่นมันไม่ได้ ไม่มีใครที่จะรู้และปร ะ, ประกาศศาสนาศาสน า, สาธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะลตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยนดับอันดอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้พงเส้นคงว่าเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกวับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมป่าก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไข เป็นทางรัดทางนั้นทั้งนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุ่งยุ่งเย่อเย่ยอวุ่นวายไปนั้นอ่ะมันมันล้วนแล้วตั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จําเป็นเดินปัญญาเลยน่ะอันนี้กวนี้ปัญญามัคือว่าสมาธิมันคือมล่าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามก็สัญญานั่นแหละเนี ว่าเพราะพูดเฉยๆพูดไม่ไเลยคํานึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยังคําสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาความตามันก็หลอกองนั้นแหละมันไม่จริงถั่นสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวกคาตธรรม การปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นแล้วอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกความสุกันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุ ท, ทยัยมันกีดกั้นอยู่ภายในกีดจใจไม่ใช่การาารัฐสถานที่หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทำการกีดขวางทางเดินของเรา มันเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้กี่ขวางตัวเองด้วยความเข้าใจผิดคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นสิ่งที่จะทำให้มืดมไม่ปิดตาหาทางเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาให้เป็นความสว่างขึ้นมาแก้ไขาทากฐานสิ่งที่ปิดบงังทางที่มันรกกรุงรังด้วยกิเลสนั้นออกด้วยมาก จิตใจก็สว่างสวัยขึ้นมาเองสว่า ง, งที่จิตใจนี่แหละจะไปสว่างที่ไหนเราจะมองมรรคผลนิพพานหรือความสุขทุกข์ใดๆให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้อันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สําหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องมือสําหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสําหรับส่งเสริมกิเลส ใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นแต่กิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปเนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ย มันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอํานาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุก ว, วันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอํานาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื่อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดเหตุมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมากแตกองเต็มหัวใจเราจปนหาทางเดินไม่ได้ มันมีว่าสนามาจากไห น, นก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลส จ, จึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลส จ, จะไม่แก้ที่นี่จะไปหาว่าสนาที่ไหนมาแกา้มันไม่ทันการแก้ตรงนี้น้ํายอกน้ําบ่งถอดถอนหัวน้ําออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้ การปฏิบัติสอนไปที่อื่นไม่ถนัดเยอนกรงกรองเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มาก ร, ร, รู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่าจีเรตมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจเมื่อแก้ ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไ ป, ดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้จใจใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สศกโปรกโสมมอมอันไม่มีร า, ราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาเห <c oughs> มือนอย่างทองคำเนี่ยตกลงไปจมมู่จมพูดก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่า แต่มาชาระให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวห้องหมาเพราะสิ่งสกโปกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก่ที่ใจไม่ถามถามหวาวนิพัทธ์ถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมา คำว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมตินิยมตั้งชื่อกันมาตั้งแต่นั้นแต่ใดตัวจริงของอันนั้นคืออะไรเนี่ตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสง บ, บเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ไห น, นความสว่างสวัยของจิต แพร่พาไปด้วยสติปัญญาหาอวบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอดถอนสิน่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจโดยลหดักก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความคิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอา่านช่างเทียบเคียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสัดประสานกันเมื่อได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลําดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดย ตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนะ่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้เนความเจ็บคร้านมันหายหมด ยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเจ็บท่านเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งในเองอพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความที่เกียดมันทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจแต่ ก, ก้าวเขาเดินเข้าไปสู่ทางยังกรมนก็เหมือนกับเทา้าขาจะขาดไปนั่นแหละ เพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นเอ่นอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปับ๊บไม่ยอมลงคือวิเลตเป็นอย่างนั้นถ้าทําล้วไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจา อาจจะแก้ใหไไ้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมืงหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอัตหานั้นเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปร า, ปรากฏขึ้นภายในใจโดยลําดับลําดับไยแล้วก็ยิ่งทําให้เพลิดเพินไม่มีอะไรที่จะเพลินยิ่งกว่าทำไม่มีอะไรที่จะทําให้มีความสุขยิ่งกว่าทำท่านจึงเรียกว่าทำเป็นของประเสริฐประเสริฐทั้งฝ่ายทําฝ่ายเหตุคีอ เป็นเครื่องมือสาหรับแก้สิ่งสโครกโสม ม, มหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลายแล้วเสดทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดยลาดับลาดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อช้างยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสโปรกโสม ม, มเข้าไปปก ภมหุ้มหอกก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหล ง, ลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายพอสิ่งเหล่านี้พาให้หลงตัติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภายต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภัยต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งเหล่นั้นเป็นตนกับต้นกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้ เมื่อเห็นจริงตรงนั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลำบากก็ทนเอาแก้ได้แก้ได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปร r a m สุขขังไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่ พอถึงนี้แล้วความอยากเป็ น, นิพพานมันก็หาเองนิพพา น, นที่ไหนถึงต้องอยากไงอะไรเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานในแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วเขาจะไปถามว่าพรนิพพานที่ไหนความอยากความอยากมันก็เป็นความหิวโหอ ย, อยีแต่ถ้ากําลังดําเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมาก ไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเช่นกา ร, รมาตัณหาภาะวะตัณหาวิราวะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากไงถามว่าอยากไปนิพพานอยากคพุทธปฏิบัติอยากพู้อยากเห็นอัดธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้สอสเบเสแสหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อ เข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดป่าบันตาดนี้แล้วแต่ ก, ก่อนก็อยากมาวัดป่าบันตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบันตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบันตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคําว่านิพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ย Ganz ังหิวอยู่ ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบปวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหลคือกิเลสตัวเภศหนึ่งยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีโหยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากหยุเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยูไหนอยู่ได้ทางนั้นเลยเหมืนอนยอดพูดเลยเรื่องกลับเรื่องการตลอดการวางนั้นเลย ตากันปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่ววเราบำเพ็ญมาแต่บำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามพอนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้เดินแบบเช่นเดียวกันหมดท่านเรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดี มีน้อยก็สุกมีมากก็สุกมีมากเต็มที่ก็ปรามังสุขังเหง่พาพระท่านไปอยู่ในป่าท่านท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นฝันตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านอยู่เงี้ยข้างหนาเพ็ญความเพียรทั้งกลางวานันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้น ดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เขารองเขารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วข้าลิงตัวนี้มันตาย แล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโกตุทัศสัผู้มีธรรมเป็นเครื่องเองนรพาณาจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่งมหากระบินข้ามหากระบินท่านอุทานก็อยู่ที่ไหนกับสุขขังวตะสุขขังมัตตะตรงไหนก็เหมือนกันเมืเขข่อก็ถึงสุขขังวตตแล้วก็อุทานอยู่ภายใจิตใจด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีอะไรเหมือน ความสุขอืนอ่นๆที่เราเคยผ่านมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์มีเป็นความสุขแท้นะการแสดงความเพลินสุขๆอย่เนนะ ท, ท่านั้น